กับถวายความเคารพพระมหาดิเลกพุทธยานโธอันถททวายความเคารพพระมหาเทลานุเทระจะเรินในธรรมญาติธรรมทุกท่านทุกคนนั่งฟังจากปกติวันนี้ป็นที่สามเนาะมิถุนายนสองพันร้อย 61คอร์ดนี้รู้สึกเราจะมีเพื่อนเยอะแต่มาเคยไปที่เชียงใหม่เพื่อนเยอะตามเพื่อนตามต้นไม้ทมอะไรเยอะไปหมดเลยอเพื่อนมาที่เชียงใหม่มีต้นไมใ้ใหญ่ๆ่ทำตับเตา่ามีตัวบุ้งนะตัวบุ้งที่โดนแล้วคันเนะ่ย บางทีเขาไปเกาะต้นไม้เนี่ยลองวัดระยะได้ประมาณหนึ่งตารางวาพืดเลยเน่เราก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนกัน เ, นเพราะว่าเร า, เาไปทีหลังเขาเขาอยู่ก่อนบางคนบอกว่าเอาไฟเผาเลยไม่เข้ามาเอาไฟเผาเลยไม่เอรู้สึกมันไม่ใช่เนะเอาไฟเผา ม, มันแก้ปัญหาได้หรือเปล่า เราก็แค่ไปอาศัยเขาอยู่ไงบางทีเขาก็ลงไปในน้ำเราก็ต้องไปส่งน้ำอาบน้ำนะโดนเขาเส้นหนึ่งปักจุ๊บึคันเลยนะแล้วก็กาง ก, างกางกดนอนกับพื้นเนะี่ยเขาก็กระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บโอ้โหเข้ามุงเข้ากดเราได้อยู่ได้เป็นเดือนเลยเมื่ออยู่ได้ในวันนี้จะว่าบรรยากาศทั่วไป บรรยากาศทั่วๆไปบางทีเห็นเห็นเราท่านทั้งหลายอยู่กัน ừ, จังหวะที่เราเอาเข้ามีเยอะแล้วบันนี้ก็ไขกอกเอาออกบ้างเรื่องปฏิบัติตรงนี้มีแค่สองเรื่องเองนะมันมีเข้าก็มีออกถ้ามีขาวก็มีดำมีมากก็มีน้อยมันเป็นกฎของคู่อะ่ะขาวขาวดําๆนี่ก็ทาวงวงกลมๆมาเลย น, นะ นี่ยมันคู่กันมีเกิดก็มีดับแล้วว่ากันน่ะอัตมาเป็นลูกศิษย์ที่มาด้วยความซื่อเดิมพันกันเรื่องนี้ความซื่อเห็นเขายกมือที่แรกกันเราก็ว่าเฮ้ยอันนี้มันหลอกจิตเนี่ยหลอกจิตให้อยู่กับมือเนี่ยเอาทําบ่อยๆมันก็มีสมาธิ ก็เราก็ไม่รู้หรอกเขาเรียกว่าสร้างจังหวะสร้างอะไรนะฝึกอะไรพวกนี้ทาไมมันต้องสร้างต้องอะไรด้วยล้วอัตมาเป็นคนจำอะไรยากเนี่ยที่กระทาโยคะนะทาน่นท า, นทานู้นท่านี่ท่านั้นเป็นท่าอะไรที่เบื่อที่สุดเลยมันเบื่อตรงที่ว่าจำแล้วก็ทำตามเขาไม่ทันไงสมัยเรียนมัธยมเอาจนสอบตกเลยก็มัวแต่จำเลยเ้าบอกซ้ายขวายกขึ้นเอาลงอะไรไม่รู้มันโหมันดูลาบากจัง ก็บอกก็เดินแล้วก็เดินก็สิ้นเรื่องเนี่ยตึบๆึบตึบเนี่ยมันซิ้นเรื่องไงแต่ต้องสิบสี่จังหวะเอแล้วเราทําไปจังหวะที่เท่าไรแล้วเนี่ย่ามันงงล้วตัวเองนะจนหลังๆเรได้พระพี่เลี้ยงไงพายจาย์ตุพินมันจะไปยากอะไรก็มันเอาเข้าสามก่อนหนึ่งสองสามหยุดแต่ดูครั้งนี้สิหนึ่งสองสามหยุดมันเข้ามาสามเน่ยเห็นไหมเนี่ยเอเ อ, เอมันก็ใช่นะ แต่เราก็ไปนึกถึงสิบสี่มันเยอะไงหนึ่งสองสามเข้าออแล้วก็หยุดแต่เวลาออกอ่ะหนึ่งสองสามสี่เข้าสามออกสี่แค่นี้จำไม่ได้เหรอโอ้ก็พี่เลี้ยงน่าจะสอนผมตั้งแต่แรกว่าเข้าสามออกสี่ไปสอนอะไรตั้งสิบสี่โอททำไมไมันเป็นอย่งงางนั้นด้วยเหรอเออบางเรื่องมาดูลำบากก็เกิดแต่นี่มาด้วยความซื่อไงเห็นว่าก็าทำเนี่ย ไ อ, อ้เราอยากได้สมาธิพอไปเข้าป่าบริวาทมาเจ้าคณะอำเภอไปเทศละไว้ไอ้เราก็ชอบจดชอบเขียนอะไรเนาะเขาบอกว่าลูกผูู้ชายบวชแล้วจะสึกกันนะให้ได้สักสามตรัยกอนไอ้เราก็ไล่เลยตอนนั้นเรียนต้องทำโทรเม้นด้วเนาะเอ هي, Ik า e to to เอาเอาเอาตกีจวอนนสามผืนเอ้ยทําไมจะไม่ได้ได้แล้วหนึ่งเขาให้ได้สามไง เอาเอาไตรมาสสามเดือนกับภาษาแรกก็ได้แล้วไงสองเออเราเนี่จะศึกได้ลราบัางซะไดอีกหนึ่งเนี่ยวันเนื้อหาที่ไตทวารกายวาจาใจเออเราศึกษากันยังไงใจเนี่ยกายวาจาก็ยังไม่น่าจบเลยนะสัมมาวาจาก็ยังไม่รู้จักมันพูดยังไงสัมมาวาจา แต่เรารู้ว่าวินัยที่เรียนมามันมีเรื่องกายก็วาจาไงกายก็วาจา แ, แล้วเรื่องใจจะไปศึกษาที่ไหนไม่ผ่านไม่ผ่านอีกไตเนะเอาไตปีดกสิโอโหพระวินัยอันนี้เรียนในนักธรรมโทนะเอกยังไม่ได้เรียนนะยเรื่องนี้ต้องคอยอีกปีหนึ่งพระวินัยก็ไปไม่เป็นแล้วพระสูตรละ่ะยิ่งแล้วเลยไม่มีใครสอนพสูตรมันอะไรเออ พระภิธรรมยิ่งไปกันใหญ่เลยพระบ้านนอกนี่ได้ตะกุศลาธรรมะตกุศลาธรรมะได้อันนี้ได้เอ๊ไม่ผ่านเนี่ยพรกว่าหาไปอีกสิไตสรณคมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอ้าพระธรรมอีกแล้วพอไม่เจอพระธรรมก็โอ้ไม่ผ่านอีกแล้วไม่ได้ไตละอันนี้จังทุกขังอนัตตา มันเป็นยาขมน้ำหลับพระใหม่เลยนะในหมวดสามเนี่ยมันผ่านยากมากเลยอันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วก็ต้องไปท่องให้ดีแล้วไปสอบให้ได้เขาเรียกว่าเป็นนักจําไม่ใช่นักธรรมนักจําเพราะเราใช้สัญญาเอาไงโอ้ไม่ผ่านไตรักก็ไม่ผ่านไตทวารก็ไม่ผ่านไตเซลนาคมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธแบบไหนละ่ะแบบพระพุทธรูบเลยเหร หรือแบบพระพุท ธ, ธเจ้าหรือหรือแบบเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนี่มันพุทยังไงเอพระธรรมแค่ไหนเนี่ยแค่นักธรรมตีนะแล้วแค่นักธรรมโทก่อ น, นักธรรมเอกยังไม่ได้เรียนไงโอโ้โหแล้วอันนี้มันจะผ่านได้ยังไงไม่ผ่านหาไปหามามันตายอยู่แค่สองไต เ, เนี่ยเอาฮะขอออกไตนึงแหมอุตส่าไปฟังเทศมา ก็เอาอะไรดีละ่ะสมาธินี่ไงในเมื่อเขาสอนอะ่ะไม่ได้เอาอะไรหรอกจะเอาสมาธิอยากรู้เออสินสมาธิปัญญาจะไปถึงไหนตามเขาไปที่ตามเขาไปพาทำพาทาวันหนึ่งไปเข้าใจเข้าใจว่าไอา้ไตไตไตทั้งหลายมันทะลุไปหากันได้ไม่รู้ตำลาเ็ามีแต่งหรือเปล่าแต่เคยไปถามเจ้าคณะภาคสิบสาม เป็นพระพระพระธรรมดาแล้วเนี่ยไปเป็นเป็นเจ้าสำนักเจ้าวาเาไปประชุมเรื่องศีลผ้าเรื่องอะไรนะใครจะถามอะไรก็ถามพระภาคเราก็แปลกเจ้าณภาคไปเงียบปิดเลยไม่ยอมถามอะไรกันหรอกกลัวเจ้าณภาคสิบสามวัดกัลยาที่ก็มีข่าวมีอะไรกัน่ะวัดกัลยาไม่ค่อยมีก็หรอกข่าวอย่างงี้ไม่มีข่าวอะไรแบบต้องใช้ใช้สมองใช้ปัญญานะ ไปลบก็ชาวบ้านก็อยู่รอบๆคางๆอะไรเนะี่ยใครล้ำเขตล้ำแดนอนะันเนี่ยหลวงพ่อท่านเถนตรงหน่อยเงียบกิ๊บเลยเราก็ถามที่เพราะว่ามันเริ่มมีความรู้ละโอ้ยไตไตไตทั้งหลายไปหากันได้เนะไปได้เลยไหมไตาสารณาคมไตาสารณาคมเนะี่ยที่พึ่งเนะี่ยสารณะมันเป็นที่พึ่งไนงะ ก็เราก็ไม่รู้เราไปที่เราทำทำไปเงี้ยทํำไปเงี้ยทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆตัวรููเนี่ยทำทำทำจะสั่งมันหรืออะไรหรือมันจะตามเรามาหรือยังไงไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าปุ๊บไอ้สังเกตกันหน่อยหนึ่งเขาก็ปรากฏตัวล้วปุ๊บเขาก็ปรากฏตัวแล้วไอ้เราไอ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊มาเข้ามาเข้าเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเขาโอ้ยมาอยู่กับเราเหมือนกันนะมาด้วยมาดูมันเป็นเพื่อนเราไปไหนไปอรู้สึกมันดีนะ เออมันดีจะพูดจะจาอะไรมันเบรกเรหมดเลยตติเตสังนี่วาา่าเรานโอ้มันเบรกลราหมดเลยจะไปพูดดา่าพูดว่าใครพูดคําหยาไปอะไรก็ ท, ทาาําไปทํามามากเขาอ่ะเอ๊มันแบบคับให้เราเอ้าไตรทวารมันมาอยู่นี่ด้วยเหรอเนี่ยสัมมาวาจาปิยะวาจาไม่ต้องไปเรียนไปรู้ไปฝึกที่ไหนหรอกเพราะตติมันตัวเบรกตัวกันตัวกวองหมดเลย จ ะ, จะด่าขา ย, ยาบๆยามันรู้สึกกระเทือนไปหมดเลยกระเทือนตะดุงตะเทือนโอ้โหมันหยาบขนาดนั้นเลยต้องพูดกับเขาขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยบางทีก็คุยกันเองเ้า น, นะไตรสราณาคม พ, พ, พุทธพระพุทธพระพุทธพระพุทธเจ้าไปเคยเปิดหนังสือส่วนโมกหรือว่าสายธรรมะทายาทนะ น, นี่ก็ว่าเออกาพุทธ ระวังใบสะดุดทองคํารุลสองพันห้าร้อยเนี่ยฉลองพุทธกาลแล้วก็เปิดฉากตรงนี้นะพอชอปอนะผู้ใช้ปากพอออกมาเรื่องเนี้ยตมาก็ไปอ่านไปดูว่าเออกาพระพุทธระวังใบสะดุดทองคำแต่างารเวลาไปไปงานเททองเ่ยบางทีไปพูดกันว่าเออพระอย่างเงี้ยหล่อวันละองค์ก็หล่อได้ถ้ามีตังพอเนี่ยนะแต่พระภายในเนี่ยข้างในเนี่ยจะหล่อกันยังไงจะเอาว่าตเออ อาจารย์เนี่ยพูดแปลกวะพระข้างในเนี่ยจะหลอกกันยังไงนี่นี่นี่เหนือพุทธหลวงจะมีตังกันหล่อได้วันละองค์ละองค์วันละร้อยองก็ได้เรามีกําลังกันไหมล่ะหล่อเข้าไปแต่ว่าพุทธะข้างในไงข้างในตัวรูที่เราหน่อยลราหน่อยอ่ะเนี่ยเรากาลังหลอ่อพระพระประจำตัวไม่ต้องเสียงเงินเสีอทองเลยไปท่องไปโดนก็แหกตาที่ไหนหรอกหล่อเข้าไปสิหล่อเข้าไป นิพภะเราจะดีไม่ดีมันต้องขามนิวร์เหมือนที่เขาสวดเลยนะกามาฉันทะพยาบาทฟุงซ่านลังลีสงสัยมันเหมือนไอ้ไอ้สนิมเสนียดอะไรที่มันปนไว้กระท้องอ่ะออกออกออเดี๋ยวมันจะได้ท้องแ ท, ท้ี่อยู่ในเราไงพุทธะอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยแล้วเราก็ได้พึ่งของเราเองพุทธังสละานาังก็ชามิก็เจ้าชายสิทธาถาไปตั้งนานแล้ว พระตถ า, าคตก็ไปตั้งนานแล้วแต่ฝากอันนี้ไว้ไงทและวินัยเป็นศาสดาแทนเราพุทธพจน์ที่ไหนจะว่าไม่รู้หรอกแต่เราเดินของเราเองเราหล่อทองของเราเองหล่อพระของเราเองไงเนี่ยเป็นที่พึ่งพระธรรมอกฏสติกฏพระธรรมขันติก็พระธรรมวิริยะกฏพระธรรมกฏทออำธรรมอัตมาก็เป็นคนไม่ชอบอะไรมากกันด้วยนะ ก็บอกใบไม้กํา ม, มือเดียวโอ้โหป่านี่เขียวไปหมดเลยนะก็บอกไปหามาต้มยาละกําดิแต่ย่างงี้ค่อยอย่างชั่วใบเดียวไม่ได้เลยไม่ใ้จะเรียนใบวิเศษเลยใบเดียวก็ได้ก็พระองค์บอกว่าอย่าประมาทอยากเอาใบเดียวแนละ้วเอาไปเลยอย่าประมาทเออก็อันเนี่ยที่เราทําเนี่ยไปไล่ดูที่หนังสือตำราอะไรนะ่ะเออ ม, มาที่เดียวอ่ะพิ่งได้แล้วนี่ที่เนี้ย โอตไตสรณคมพึงได้ไอ้ทีเขาบอกว่าอะไรไอ้อดวงตาเห็นธรรมเท่านั้นไตสรณคมเท่านี้ไอ้เรามันก็อ้าวอันนี้เขามาให้เราดูแล้วหรือไตสรนาคมอยากจะพึ่งพอพูดพึ่งไวปสิถามพระทีพึ่งตอนเนี้ยมันไปได้ถึงไหนเอาตอนเป็นๆ น, นะก่อนจะตายเนี่ยเขาจะบอกเลยนะพุทธทางสรนังข้าชามิทำมังสรนังขะฉามิสังขังสรณังขะฉามิ ไม่หลงการกิริยาเวลาจะตายไม่หลงการกิริยาหลงนี่ตัวลู่นะที่เราทำเนะี่ยรู้เพราะในตัวหลงเนาะอ้าวฉันพลิกมาครั้งนี้แล้วเนี่ยพลิกมาข้างตัวลู่แล้วอมไม่หลงไม่หลงไม่หลงฉันไม่อยู่กับเธอแล้วใครเป็นนายพานนะเวลาก็ไปฆ่าสัตว์มากมายก่อนจะตายอาสัญญกรรมชนกกรรมมันตามมาเนาะติดตามฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าสัตว์ใหญ่ บางทีหลับไปปุ๊บนิมิตเกิดเลยกรรมอะกรรมกรรมมนิมิตเนี่ยเกิดเลยไปทาไอ้นู่นทาไอ้นี่มาก็า เ, าเอาออกซิเจนใส่ให้สายน้ากงน้ำเกลือโยงเนะี่ยโอ้หนึกว่าตัวเองโดนล่ามตัวเองไม่ได้เป็นผู้เป็นคนนอนบนเตียงอนะหลงวลเวลาเนะี่ยหลงลเรียบดหลงไปไหนหลงไปว่าเจ้ากรรมในเวงก็ตามไนงะตาม่่นี้ทำยังไงต้องตามไม่ทันลนะ โมคาลาดหรือไงเนี่ยเนีย่ยเนี่ยทำยังไงมารจะตามไม่ทันคุณองค์ว่าเอา้ามีสติอยู่ทุกเมื่อที่ตามไม่ทันอ่ะมารคืออะไรอะ่ะที่มันมาล้างผานคุณงามความดีเขาเรียกอ่ามารมาแล้ววัวควายสมัยไหนไม่รู้ไปข่าไปแกงเขาเออแล้วจะข่าคนไม่ยิ่งหนักเหรอเจ็บวิญญาณมันหนักอะ่ะแถบเวละโอ้พออาศัยกรรมมันก็ตามมาเลยอะ่ะ ท่าสติมันมากที่กายกายานุปัสสิวิหารติพาสวดพาทรเลนะเวทนานทมีสติไหมจิตตาอันนี้ไงจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานจิตยิ่งกว่าจิตอื่นก็มีใหญ่กว่าก็มีลุ่มลึกกว่าก็มีอะไรก็มีไปจิตที่ไปฆ่าวัวฆ่าควายอ่ะเขาก็มาสิพระมันก็ใหญ่อ่ะเจ้ากรรมนายเวีนตัวใหญ่มาเลย กำลังอาสัญญกรรมทําไงล่ะถ้าสติไม่ถูกพัฒนาให้มากให้มากหนีสัญชาตญาณไม่พ้นพี่หลวงพ่อมหาก็พาเทศพาสอนน่ะสัญชาตญาณการกลัวตายของสัตว์อ่ะมีอ่ะก็ไปฆ่าเขาไว้เยอะไงตัวเองก็กลัวสิหนีความกลัวยังไงอ่ะสตินั่นต้องไปเติมให้มากสติทํญญาให้จันอย่าเติมเติมเติมเติ ม, ตมจนหนีกันก่อนเลยง่ายๆนะเหมือนเขาบอกให้นั่งอยู่เนี่ยเออ เขาก็เชิญไปเป็นพระราชาเมืองหนึ่งสมมตินะโอ้ข่าคนตายมาตั้งเยอะพอขึ้นไปเป็นพระราชาเป็นไงยกออกหมดเลยที่มาทั้งหมดนะ่ะไอ้นี่เดี๋ยวให้ไปเป็นเจ้าหญิงเมืองไหนเมืองไหนที่ไปฆ่าใครเข้ามาเอ้ยเป็นมเหสีไปละเขายกให้หมดเลยทีเนี้ยกฎหมายมันไปไม่ถึงไนงะบางทีกฎแห่งกรรมมันก็ยังตามไม่ทำไม่ทันนะบางอย่างเพราะที่เราทําเป็นไร กรรมขาวก็ไปข้างกรรมดําดก็ไปข้างกรรมฐานก็อยู่อีกอย่างหนึ่งอ่ะกรรมฐานเนะี่ยมันเป็นตัวที่แหกกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งมาเลยนะเอ้ยอย่าเพิ่งไปใช้อย่าเพิ่งไปใช้ใชกรรมดำทำกากรรมฐานเนะี่ยมันเป็นกุศลนะมันเป็นฝ่ายดีทําไปถึงที่สุดมันไปถึงไหนเนะี่ยกรรมหนักแบบเนี้ยก็เขาบอกว่าชานธรรมาบัตนะชานธรรมาบัตเป็นกรรมหนักของฝ่ายนี้ฝ่ายขาวเนี่ยนะ ฝ่ายบวกเนี่ยทําจนจิตเป็นสมาธินิ่งเสียกว่าอะไรไอสัญญาเนวะสัญญานาญาดันีอะไรนะสัญญาก็ไม่มีเวทนาก็ไม่มีที่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่ที่ว่ามีก็ไม่ใช่อตรงนั้นไงมันเป็นจือลือจือเรือนะ่ะมันเป็นเฉยเฉยนิ่งนิ่งอะ่ะสุดยอดสุดยอดของบอุญนะไปอยู่ตรงนั้นะนะแต่ว่ามันเลยจากยอดไปอีกไงเป็นอริยะบุคคลอะ่ะ เนี่ยบุนหนักมาตรงเนี้ยไอ้ที่จะกรรมหนักอ่ะมาตุค่าตุกขาดอลหาาันตะค่าทาลายพระพุทธเจ้าทําสั่งกระเภทอันนี้หนักแบบโอ้โ ห, โโหรับก่อนเลยนะเหมือนเราต้องโทษประหารนะ่คดีอื่นๆยกเลิกยกเลิกตัดคออย่างเดียวประหารอย่างเดียวนี่ที่เราพาทํากันเนี่ยพอไปเข่าเข่าเข่ า, ขาเป็นที่พึ่งได้ เป็นที่พึ่งได้นะอย่างน้อยสตินไปน่นไม่หลงการกิริยาเวลาตายถึงว่ะแค่นี้มันก็คุ้มแ่้นะจะร่าจะรวยขนาดไหนมีมากมายมหาศาลนะแต่สติไม่พอใช้หนีสัญชาตญาณไม่พน้นสัญชาตญาณการกลัวตายไอย้ยิงกลัวเนะ่ะยิงฝ่ายมารเขาก็ได้ทีไงเออได้ทีเอายิ่งกลัวเอาเอ า, อ า, อากลัวกลัวไปไหนอะ ภาษาเตระชานก็กลัวเวลาฟ้าลันตุมตุมตุมุมหลบไปไหนอ่ะกลัวบางทีมุดใ ต, ต้โต้เ ง, งี้ยเขาจุดผุจุดอะไรอ่ะไม่มีวิจารณญาณ น, นะเวลมันเสียงอะไรมันรู้แต่ว่าฮุ่มๆุมุ ม, มเดี๋ยวมาถึงตัวตายวลังเนี้ยเดี๋ยวตายกลัวอย่างเดียวสัญชาตญาณในการแสวงหาอาหารถ้าเบเอา้าเข้าแถวเอา้าลุกเอา้าไปตักเอา้าพิจารณา อันนี้เป็นกรรมวิธีที่มนุษย์ข้ามสัญชาตญาณการกินมาสู่ระบบระเบียบกินยังไงมีสติหนอบางทีกินตั้งสองยามงไงตักไปกินไปดูไปพิจารณาไปดีไหมดีอันไหนมีดีเราแต่ว่าดีเพราะอะไรวันวั น, วนเรากินไปมันฟาสต์ฟู้ดทั้งนั้นเลยบางทียิ่งโยมอยู่กรุงเทพนะบางทีโอ้โหต้องแข่งขันเวลาเวลาลูกยังไม่ตื่นพ่อแม่ไปทางานแล้ว ก็ตั้งอยู่บนหลังตู้เย็นนะหลังทีวีนะอะไรนะไม่ได้ไม่เห็นหน้ากันหรแต่เดินนี้ดีหน่อยก็เปิดโทรศัพท์ไปเห็นนะลูกอยู่ไหนแม่อยู่ไหนก็เปิดให้ดูมันรู้สึกดีขึ้นไหมบางอย่างบางอย่างแต่พอมาปฏิบัตินี่ไฮเทคไฮโซอะไรมันกลายเป็นนิวร์วนขวางกั้นอีกบางทีแค่เราเดินไปกดโทรศัพท์เราก็รู้แล้วที่บ้านเราเนี่ยเปิดภาพดูในจอเราเลย มุมไหนของบ้านเราว่าตาทิพเห็นไหมล่ะไอ้หูตาธรรมดาก็สํารวมจะตายแล้วแล้วไปมีหูทิพตาทิพไม่สํารวมกันแย่เหรอใครเข้าออกบ้านเราไปเช็ดโอ้โหทำไมทำไมไปรู้เกินวิสัยมนุษย์เพราะเราไม่ใช่เทวดาไงหรือว่าเทวดาเดินดินลูกเทวดาอยู่บ้านอยากคุยก็ลูกก็เปิดดูได้เห็นหมดเลยแต่ในใจสิ มันไม่เข้าเกียร์ว่างซะแล้วนี่มันคาเกียร์นะถ้าบานิวรณิวร อ, อ่ากามฉันทะก็ยินดีพอใจดังนั้นที่สั่งสมบัติไว้ที่บ้านนะ่ะแต่เวลามาปฏิบัติมันก็มาเป็นนิวร อ, อันนี้แค่เสนามมนนะแย่ๆมาเอาอะไรสวยๆอะไรงามๆอะไรดีๆโอ้โหมาแล้วมาเป็นเยื่อมาเป็นใ ย, ยบางๆเลยไม่ต้องมาปิดอย่างนี้หรอก แค mm hmm. ่เยื่อบางๆหลายชั้นก็มองไม่เห็นนะมองไม่เห็นเออตระมาเคยไปเจอสภาวะนะเราได้อุ ป, ปมามาเลยสมมุตินะขาวๆแล้วว่ามันดีมันบวกไหมมาดําๆแล้วว่ามันลบมัเ น, นี่ลองดูนี่เอาผ้าขาวปิดตาผ้าดําปิดตาให้ผลเหมือนกันนะคือมองไม่เห็นเหมือนกันขับรถมากลางคืนไม่มีไฟเดินมดืดตุด มองมาเห็นเวลาเดียวกันสว่างลงแจ้งหมดแล้วแต่หมอกมันลงหมอกเขาก็ไม่ได้ว่ามืดเนี่ยเมื่อไหร่หมอกมันก็ขาวอย่างเงี้นะเอา้าหมอกลงแล้ยิ่งกว่ามืดมืดอีกครับบางทีอะอะไรขนาดนั้นลงเพื่อเทียนเนี่ยมืดสีขาวโอ้ไอตัวนี้ไายว่ามืดสีดําอีกพราะอะไรไอด้ดำดำยังมีคนบอกนะอีเธอไปทําอย่างนั้นเนีไยไม่ทูก แต่เวลาทำดีๆเธอมาว่าฉันทำไมโอ้โหไม่ใช่เสนามานธรรมดานะไม่ใช่อึดอัดขัดเครืองนะโอ้ขึ้นเต็มที่เลยพญามานนะสั่งลูกน้องเข้าไปเต็มที่เลยนี่ก็พาสวดตอนเช้านะแค่เสาานาเองนะอะไรดีๆงามๆสวยๆเ อ, อ้มดไอแมงนี่มาทำไมำสาราทำสวยๆเดืปัดเฉดยาซะนี่ร <_ Cathy> ักสวยรั ก, กงามไมพริกเดียวๆอ่ะ กลายเป็นฝ่ายโทสะเลยเอา้าเฮ้ยโอ้โหมันแสดงยังไงนึงกว่ามีคนเดียวที่ไหนเนีย่ยสองบทแสดงมันมาสองคนที่มันพลิกจกักเนี่ยฝ่ายราคะเป็นโทสะเลยการพัดพากสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจเอ้ยเอ้ยเ อ, ย เ, อยเห็นไหะ ม, มันจะมาเอาของเรามันจะยึดเพื่อนที่เราระบบจัดการบงทีปัญญามันเร็วมากเกินไงพวกนี้รู้นาบตายยังไงอ่นนะัามว่านะรู้นาบตายยังไงอะโอโ้เอางั้นเลยเนาะ เออก่อนไหนว่าเรามาทำอย่างเนี้ยเนี่ยเนียเนี่ยมันเป็น พ, พงบนต่งงาง น, นั่นเนี่ยเมตตากรุณาเอาไปไว้ไหนอ่ะอุเบกขาไม่ใช้บริการบ้างเหรอเห็นปะเนี่ยไม่แ ต, มตม่มดแต่แมงไม่แต่สัตว์สิ่งของไงนะพอใจไม่พอใจละละความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้แล้วใครใครเป็นตัวละใครมีหน้าที่ละละ่ะเพราะว่าเรามีหน้าที่เนี่ยเนียเนี่ยเนียรููแล้วใครเป็นตัวละละ่ะ ตำลาบางคูบาอาจารย์ก็เขียนอย่างเนี้ยนะเขียนอย่างเนี้ยเขียนเหมือนมีกิริยาให้ใครไปทําอ่ะแต่ไม่บอกว่าใครเป็นตัวทําเลยหลวงพ่อเทียนก็ไม่ได้เขียนไม่ได้บอกอะไรนะทําไปเถอะทำไปเถอ ะ, อะขุนข้าวแมวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปไล่หนูเขาว่างเนี้ยเราก็เออหลวงพ่อคนี้ดีอย่างเลยไม่หมากเหลืองขุนข้าวแมวดิเดี๋ยวมันไปไล่ห น, หนูเอาอยัางงั้นเราก็เลี้ยงตัวสติให้มันอ้วนดิเลี้ยงให้มันอ้วนมันอ้วนมันอ้วน วันหนึ่งครัจิตเรามันนิ่งๆดีมันก็เห็นสตินี่ดีไหมเฮ้ยดีไหมนะมันเหมือนเรานั่งเกมคอมพิวเตอร์หน้าจอมัน่ะเวลาเครื่องบินมามันก็กดจรวดขึ้นไปยิงตุ๊บหลนตุ๊บหลนเฮ้ยพอสตินี่เราผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาความคิดมามันขึ้นไปยิงกันเองมันอ่ะเฮ้ยตุ๊บหลนตุ๊บหลนเอ้ยนี่มันมีเกมอะไรข้างในด้วยนะเนียดูมันแสดงกันโอ้ ไม่ได้เห็นเด็กสมัยนี้เขาไปกดหน้าจอกันยังงงยางนีง่เอนี่ทย้ายจากหน้าจอมาเป็นจอในใจเลยนะจอในใจเนี่ยถ้าเด็กเขาเห็นตรงนี้เขาจะกดสนุกเลยมั้งน่ะโอ้โหเราผลิตได้เองไงไม่ใช่ไปซื้อมาเครื่องเราทํามื่นหมื่นหมื่นอย่างนี้นะแล้วเขาตั้งโปรแกรมให้เราเล่นตามเขาเราไม่เราไม่เล่นตามใจเราเองโอ้ยมันขึ้นมาที่มาที่กด ท, ที่ถนกไปเจอที่ทําดอยโตนน่ะมันขึ้นมาแล้วก็ยกมือโอ้โห หลนตึลนเลยโอ้โหมันเลยอะ่ะทีนี้เขาให้รางวัลเราอีกให้รางวัลเราอีกให้รางวัลอย่างไงเหมือนเนี่ยสวนโมกเขาว่าอะลงมโหนราศพทางวิญญาณพอเราทําความเพียรอะไรไปดีดีดีเหมือนเหมือนมีข้าผ่านประตูใครเราเข้าไปดูได้ด้วยเออเข้าไปดูนี่อะไร กดไปกดมากดมากดไปโอ้ยินทีมันมานี่มันสมมติทั้งนั้นเลยนี่เราได้รางวัลไงหลวงพ่อมาเอาเป็นยังไงวันนี้หลวงพ่อวันนี้ผมรู้จักสมมตินะี่เออรู้ะดีพูดแค่นี้แล้วทังกกลับเลยเออรู้สติไอ้พระอุปชาก็สมมติพระสังฆราชก็สมมติพระพุทธลูปก็สมมติอันนี้ก็สมมติเนี่ยสมมติสมมติ วันนี้สมมุติว่าเป็นวันที่สามก็เรียกวันที่เจ็ดไม่ได้แล้วฝรั่งเราไม่เรียกสามวันทูทีทวางีเจ็กหนอสาก็สมสมุติเรียกไงสมมติสมมติอ่ทีนี้รู้สมมติเนี่ยมันต้องไปใช้สมมุติให้เป็นอาตมาไม่ได้ไปรู้ลูบ ร, รู้น้ำก่อนใครก็้วนะไม่ได้รู้หนอ ok. กแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะรู้มันด้วยเพราะอะไรเราก็ดันไปเรียนมาแล้วไปรู้ มันจะกลายเป็นอวดรู้ไงหลวงพ่อเทียนว่าไปขโมยความรู้ของคนอื่นเข้ามาทําไมของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าก็เจอแล้วก็มาพูดมาบอกมาเขียนกันยังไม่ใช่ของเราพุทธพจน์ก็เหมือนกันนะไม่ใช่ของเราอะ่ะเขียนยังไงก็ช่างตาบใดสิเนเนี่ยเนยเนยมาเดินเองรู้เองเข้าใจเองมีเองอะ่ะแต่เนี่ยของเราไม่ได้ขโมยใครเออไม่ได้ขโมยใครเราก็เลยได้อุ ป, ปมาอ๋อ มันก็เหมือนกินฮอนงก็พอฮอนมันมีสองด้านไงแกะด้านไหนก็ได้กินจะรู้สมมุติก่อนแล้วมันแปลกตรงไหนครับกเขารูรูรูน้ำกันก่อนคุณเรื่องของเขาไปเลยมันอยากรู้ด้วยหรอกเออรูบเป็นรู ป, ป, น, รปน้ำเป็นน้ำแล้วโอ้โหพยายามเอาออกมันไม่ออกเลยไ อ, ไอสัญญาที่มันเคยจำอะเราเลยกลัวว่าเดี๋ยวจะรู้แบบของปลอ ม, เ, มอเวลาไปคุยกับใครเพื่อนตะหะทำมิก ด, ด้วย มันน่าอา ย, ยว่ารู้คือขึงกลางๆแล้วเอามาพูดพูดเหมือนมีอ่ะแต่อีวันทีน่เขฝึกก็สอบอารมณ์กันแล้วมันไม่มีส่เหมือนไม่มีวิทยายุทธแตเราไปโมงไงนะไปดูรลวสมมุิแล้วไปเดินดูเอข่ทํทำตำเต่าอ่ะปีนั้นพุทธภาธรมินหลวงพ่อก็รุ่นใ ห, ใหญ่ๆเขาก็นั่งคุยกันที่เมืองหลวงะนะเมืองหลวงพุทธธรรมนายเขาบอกว่า กนี่เนี่ยนะสะใหญ่อะตรงกลางขุนและริมลิมอะไม่เป็นไรอ่ะเขาก็ว่าเมืองหลวงะมันจะยุ่งเหมืองใหญ่ใหญ่อะมันคุณเอเอไอแค่ใส่เสื้อผิดสีนี่ก็บอกว่าไอ้มนุษยธรรมอะว่าแบบลงตาบ้านนอกเลยนะไอยมนุษยธรรมเนี่มันไม่มีเสื้อผ้าใส่อ่ะเขายังรู้เลยว่าโอ้ได้ผ้าใสโ่โอ้มันอุ่นไงสีอะไรก็อุ่นว่างั้นเนอะ แต่มนุษย์เมืองหลวงผิดสีเสื้อนั่นเองล้วจะไปเรียบคนบ้านนอกว่าป่าเถื่อนได้ยังไงฮะตัวเองอารมณ์เถื่อนแต่ไมะ่ะเถื่อนเป็นร ล, ล า, ขาข้าฟันกันอะไรไอ้เด็พูดมากไปแล้ว <c oughs> พูดพอสมควรว่าโอ๊ยอะไรมันเป็นอะไรเนี่ยน่ะนี่เราเราก็เดินเดินไปดูเอ้เราจะดูอะไรดีรอบนึงไอ้หลุนพี่พี่เขาก็ไปของเขานะ้าเราก็ไปของเราไป เดินดูความพอใจไม่พอใจนะเอ๊เราผ่านมาหลายเดือนนมันน่า จ, จะเข้มแข็งพอจะเดินดูได้เลยนะร่างกายนี่ก็พอละฐานกายไหนเข้าไปดูเวทนาหนระืยพอใจไม่พอใจดูไปดูมาดูมาดูไปขันห้ามาโชว์ตัวมาเป็นเรื่องเวลาวมาเป็นเรื่องเป็นลาวมาแล้วจบมาแล้วจบอันนี้ฉันไม่ยิงมันลงแล้วนะฉันอยากจะดูว่าคนขับมันมาจากไหนเครื่องบินมันขึ้นมาจากไหน มันมาจากสนามบินไหนมันขึ้นมาโชว์บ้านเราเมืองเราเนี่ยมันล้ำน่านน้ำน่านฟ้าเรามาเนี่ยวันนี้เราตามไปดูเลย ม, มาอยังไงเนี่ยมายังไงเนี่ยมันแสดงเลยลักโลกปดหลงอะไรเรื่องนู้นเรื่องนี้เอา้านี่มีมหโหระททางวิญญาณให้ดูด้วยโอ้โหไม่ต้องไปเช่าหนังวิดีโออะไรมาดูหรอกเขาโชว์ให้เราดูเลยตามไปดูดูไปดูมาดูมาดูไปแต่นี้อะไรที่มันไม่ได้เรื่องไม่ได้เล่ามันถูกตัดเองมัน สติก็ทาําหน้าที่เองเขาเราไม่ต้องทำอะไรหรอกผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาอา้อาวอ้าวเรื่องอะไรเรื่องอะไรนักเขา้านักเขา้าเขาย่อเรื่องให้สั้นลงดิรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผึบรูปเวทนาสัญญาสังขารย่างผึบบางทีแค่มันผัสสะมันจบแล้ววะ่ะโอ้มันเร็วอะไรขนาดนั้นดูไม่ทันเลยโอดูไม่ทันเลยเราต้องทําไปเรื่ยทําไปเรื่อยอ้าวนี้เริ่มโอ รูปมันเกิดขึ้นพึบผัสสะเกิดไงผัสสะเกิดไอ้พอใจไม่พอใจมันอยู่ขั้นเวทนาไงโอโหเวทนานี้ตัวแสบเนาะหลวงพ่อพุดท่าด้วยว่าคนน่ะมันโ ง, ง, ง, งต่ตอนผัสสะนะเวลาผัสสะมาแล้วโ ง, ง่โ ง, ง่อย่างไงอะก็เวทนาเราไม่ทันมันไงพอไม่ทันมันแต่งเป็นเรื่องเลยพึบจบผึบจบโอโหว่าเดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุก ว่าไงมันมาไงเนี่ยทั้งลูกแล้วเวทนาแล้วมันก็จํามาดึงสัญญามาใช่ไสัญญาสังขารบุ้งแต่งวิญญาณจบบันทึกเลยเป็นเรื่องๆเลยโอ้อันนี้เมื่ามีสติมากเขา <S 1> <S 1> เหมือนคุณอาภาพเขาดีขึ้นไหมก็ส่องเหมือนกล้องขยายเลยขยายให้ดูนล้วโอ้ขั้นตอนมันอยู่ตรงไหนตรงไหนโอ้ขยายก็ดูขยายให้ดูเอ้ยขยายให้ดูอือเราได้ดูบางแล้วได้ดูโอ้เอ้รถใครมาน่ะ จำได้นะเสียงเนี่ยรถยี่ห้ออะไรแหมาบางทีมันอวดรูก็ทางวัดสีอะไรเลยรถนะนะอวดรูอะก็ทางสีอะไรเลยรถยี่ห้ออะไรบางทีโทรศัพท์ดังเนี่ยรู้เลยนะรุ่นไหนแหมสมัยก็เล่นกันใหม่ใหม่อะนะตั้งสันตั้งเสียงออกมาเนี่ยรู้เลยนะราคาเท่าไหร่บางทีไปคุยกับเด็กวัดเลยนะเอ้ยเสียงโทรศัพท์จริงๆแค่สัญญาณรับเนี่ยเขารู้ราคาโทรศัพท์เลยนะมันขนาดนั้นเลยเลาน จริงมันยิ่งแพงมันเสียงมันยิงน μ, ย่งนุ่มเงเนียนยิง่งโอ้โห ksam. ตัางเสียงเดียวกันเนี่ยแต่คนละราคาเนี่ยมันรู้ขนาดนั้นเลยนะโอ้โหจริงจรินะโอ้โหเ น, นี่มันลูกคนรวยเนี่ยโทรศัพท์รุ่นนี้มีใช่เลยนะแกมัน ส, ส่งสัญญาณ น, นะน่ะนะเสียงเพลงเสียงอะไรรู้เลยนะโอ้โหจะมาถึงไม่ใช่โทรศัพท์ไงเดี๋ยวมันรู้มากอืมเดี๋ยวมันรู้มาก พอพอพอพ อ, พอสมควรพอเ ด, เดี๋ยวคุยเรื่องโทรศัพท์เลยนะแล้ววันหนึ่งเลยนะโยมก็ชวนไปมันมีเครื่องเหมือนเอ็กเลยเอามาให้เรากำไปโชว์หน้าจอโทรทัศน์นะนะรูปเรยอสามสิบรายการเอาเป็นโรคอะไรโรคอะไรโรคอะไรไหที่เราไม่ค่อยจะอะไรใครๆก็ลอกเนื่องกินเรื่องอยู่ภาวะกระดูกพุนน่โชว์บันนี้ เขามีเครื่องหนึ่งก็ใส่ในมือเนี่ยมันไปโชว์เหมือนหมูหมูเนื้อขาวอะแล้วมันมีแถบมีอะไรวิ่งอาจารย์อันนี้มันเริ่มมีกฎไหล ย, ย้อนแล้วนะโจกจอมันบอกวังเหนนะอันนี้คุยกยันว่าอาจารย์เมื่อคืนอนอนดึกนะนอนดึกธรรมดาคนอื่นก็รู้ได้นอนดึกแล้วตื่นเช้ายโยมในเริ่มลุ้มากนะเนี่ย <laughs> <laughs> เสร็จแล้วก็บอกว่าอาจารย์ตื่นเช้าแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ย เพราะว่าคืนมันไม่โชว์แต่โยมก็เรียกทฤษฎีว่าคืนจิตวิญญาณมันไม่โชว์อาจารย์ทําอะไรอโยมเนี่ยรู้มากวันนั้นอาจารมาจะบอกก็ได้เมืันคืนนอนดึกพอก็ให้ไปเรียนดูหนังสือไงแต่เรี๋ยวต้องตื่นเชา้ามาทําการบ้านแต่เปลี่ยนใจไม่ทาการบ้านมาเดินยงกลมไม่น่าเราคืนมันไม่โชว์คราบว่าเราโอ้ไอ้เรื่องนี้มันเริ่มรู้มากแล้นเนี่ยมันถอยหลังได้ด้วย เออถ้าสถิติจบมันยังอยู่ต้องคุยกันหน่อยเนี่ยคุณผลิตโทรศัพท์ประเภทสแกนได้ไหมว่าวันเนี้ยวันหวานขึ้นเท่าไรและเราเนี่ยต้องกินอะไรเออแรงดันเท่าไหร่หัวใจอะไรคุณป้อนข้อมูลไปแล้วเครื่องละแสนก็จะซื้อมาใช้ได้ทั้งบ้านไงก่อนออกจากบ้านมากรรำเครื่องนี้ก่อนคุณพ่อคุณแม่เก็บไว้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็จะบอกว่าวันเนี้ยต้องกินอะไรต้องอยู่อะไรอนี้ควบคุมเลยแฮมอย่างนี้ดีนะสถิติจบ ยกไอเดียให้เลยคุณไปทำมาคุยกับพระใหม่ว่าอาจารย์บางอย่างมันมีแล้วนะเอาเลิก <c oughs> บางเรื่องมันจะรู้มากไปอา้าวขันท่านะตัวที่จะไปดูเขาได้อะตติสัมมัญญะที่ฝึกไว้เนี่ยไอตัวรับไอตัวรู้ไอตัวพิจารณาครูบาอาจารย์อะไร่าไปใช่ใช่เพราะมก็เราก็เคยมีไงมันสอดสองพิจารณาไม่ได้ดูอะไรเราก็กชขายดูเราก็เข้าไปดูที่ มันไม่มีรหัสผ่านอะไรหรอกเขาเก็บไปเนี่ยเออมีศรัทธาไหมอะไรวิริยะไหมตติสมาธิปัญญาความเพียรพอไหมศรัทธาพอไหมอะไรพอไหมข่าผ่านประตูพอไหมข่าผ่านประตูมีเข้าไปดูเลยมันเป็นโรงมหรสศทางวิญญาณแล้ววันหนึ่งหลวงพ่อก็พาไปสวนโมกเลยนะเขากําลังซ่อมแซมเลยสวนโมกที่ปักใต้เนะี่ยกาลังซ่อมแซม แล้วอาจารย์ที่ควบคุมการซ่อมแซมเป็นเพื่อนหลวงพ่อสมัยนั้นหลวงพ่อมหาดิเรกเราก็โชคดีไงเขาบอกว่าเอา้าในๆเพื่อนมาเยี่ยมวันนี้จะให้เกียรติเนี่ยเนยเนยเนี่ยจะเป็นอะไรอธิบายให้เองเลยเป็นมัคุเทศอธิบายอัตมาก็เป็นคนถ่ายวิดีโอถ่ายตั้งแต่สามโมงเย็นยันสองทุ่มจับใขรเลย จับไข่โดยไม่รู้เลยอีกหลายปีมาถามมาคุยก็โยมว่ากล้ามเนื้อตามันทํางานมากเอา้าตามันมีกล้ามเนื้อโยมปะมีอาจารย์มันละเอียดยิ่งกว่าอะไรด้วยวหน้าเรามันจับไข่ไม่เหมือนเราจับทั่วไปอะ่ะมันจับหมดเลี่ยวหมดแรงอะ่ะแต่มันไม่มีอาการปวดผลไงเพราะฉะนั้นน่งหน้าคอมมากมากเลนะกล้ามเนื้อตาทํางานมากจับไข่ได้เมื่อยล้าอ่อนเพลียได้เนั่งดูจอ ยิงๆหน้าจอเล็กๆไงนะโอ้โหเพ่งเขาให้เกียรติอธิบายลองมโหศพทางวิญญาณเสร็จเรไปถึงบางอันนะรถ้าตภ า, าวะไม่ถึงหลวงปู่บอกว่าอันนี้มันข้ามมาฝั่งปรารมัดนะนะตภาวะไม่ถึงให้บอกท่านผู้ชมด้วยเดี๋ยวจะเข้าใจว่าคนภากเรามีโอ้เขามีเซอร์ิลิตด้วยอธิบายมูไปได้อันหนึง่งส่วนหมกไปเผอถามเขาเขาดิว่า ครูบาอาจารย์ปกติสอนอะไรไม่ถามเหมือนภาษาลิบุตรเลย <c oughs> เขาว่าไงเขาบอกว่าไม่ถือกันเป็นครูบาอาจารย์ถือเป็นกัญยาณมิตรจะมาจบคำถามเลย <c oughs> ได้ไมนะ า, าม <c oughs> แล้วกัญยาณมิตรในสวนโมกษสอนไม่เหมือนที่อื่นนะ <c oughs> เราไม่ยินดีต้อนรับคนที่ล้างจานข้าวเองไม่เป็นแสบซะไม่มี <c oughs> แต่เราไม่ได้ตะเทือนนะนะเพราะอะไรเพราะเราอ่ะไม่ไม่แสดงตนเป็นครูบาอาจารย์อะไรไงโอ้โอาบาตไปล้างบางทีต้องต้องล้างเท้าเช็ดเท้าแต่มันมีข้อดีนะมันมีข้อดีส่วนพวกก็หลงโบตียนนะันมีความเหมือนกันมาโดดโดดโอ้โหแล้วมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่ว่าอะไรการข้ามจากปุถุชนนะไปไปประมาณว่าเริ่มเป็นอริยะ อ, อศิลพปะประมาทอย่างเนี้ยการข้ามขันสินพดไหวเจ้าสงเจ้าเจา้เจ า, เจาที่เจ้าทางอะไรหลวงพ่อเทียนก็มีแต่มันเป็นสภาวะข้างในข้างในขึ้นเลยเดี๋ยวปะทุทิ้งเดี๋ยวสารเจ้าที่เจ้าทางอะไรโอ้ยเราไม่เป็นไรเนี่ยทําไมมันก้าวลาวไม่เป็นอย่างนี้นี่ไปเยี่ยมสํานักทางเชียงใหมเ่จเจ้าอาวาสเขาก็ไหวหวานแล้วให้ถือถาดเซนไหว้ เออมันเป็นถาดเหลาสิแม่มันขึ้นปีตเลยนะขึ้นปีตเลยเพราะอะไรสภาพะนี่เขาบอกให้พึ่งตัวเองพึ่งตัวเองนะพุทธะอยู่ข้างในข้างไ น, นจะเจอสารเจ้าที่จะไปทุกของเขาทิ้งอยต้องไปเดินจงกรมเช็คดูก่อน <c oughs> ไม่ใช่ละไม่ใช่ละออประมาณนี้ไม่ใช่ละโอ้โหกว่าจะหลุดนะเนี่ยเขามีเขียนไว้เลยนี่เนี่ยมันจะคำแดดแน่นะตีละพระตะประมาณเพราะนั่นบางที โยมได้โชคดีนะโยมไม่ได้ใช้วินัยพระไงโยมไม่ต้องประเคนใช่ไมล่ะเออหิวเมื่อไรก็ว่าไปบำบัดทุกขเวทนานของเก่าแต่ะทําทำของใหม่ให้เกิดขึ้นกินอิ่มเกินของใหม่เกิดนะทุกข์เพราะเอาเข้าไม่ทอะไรหรอกเดี๋ยวทุกข์เพราะเอาออกสิโอ้หมันไม่ยอมออกอะเข้าไปแล้วคำหนึ่งคำใดที่กินผิดพลาดลงไปสิทั้งวันเลย โอโหเน่าก็ไม่บอก <laughs> ตัวไหนตัวบอกละ่ะตาบอกหูบอกมือบอกเล้วจมูกเทำไมไม่บอกผ่านเข้าไปอะจมูกจะบอกก็เข้าเลี้วเกิน่ะบอกไม่ทันเบรกไม่อยู่ <laughs> ไอ้ลิ้นเล่นกับคาแรกของมันก็ใช่แล้วเพราลงหลุดมาเอ้ยตายแล้ววันนี้หมดเลยยี่สิสี่ชั่วโมงเอาออกก็ไม่ได้หรือมันมีวิธีเอาออกก็ไม่รู้นะคุณหมอพยาบาลดูดเข้าไปแล้วอะ ใช่ไหมล่ะไปดูสิน่ะเนี่เขามีด่านให้ดูโอ้โชคดีเนอะหลวงพ่อมาหาพาเราฝึกเราก็ไปมาหาวทาทางวิญญาณไม่มีตรงไหนที่เราฟังไม่รู้เรื่องแมมเกือบจะพูดโมโมะอะไม่มีหนังสือเล่มไหนของส่วนโมกที่อ่านไม่ออกตะถะตาทำไมจะไม่รู้กูหลวงพ่อเทียนมีสภาวะแล้วมันเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่เทียนไปเยี่ยมหลวงปู่พุท ธ, ธาธนอะอ้าวอ้ า, อา ผู้หนึ่งเป็นนักปฏิบัติผู้หนึ่งปริยัติแบบเต็มๆ เ, เลยสามารถแต่งว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรไปอ่านอุ้ยอุ้ยสองปรัลญาอาจารย์มาเจอกันฮะแล้วเราไปได้อ่านหนังสือนังหาเไปได้หลวงพ่อมาหาก็เป็นลูกศิษย์ส่วนมูกก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนไอเราก็เป็นรุ่นลูกหลงเลยมันบังเอิญหรื อ, อยังไงที่ได้มาเป็นลูกศิษย์หลวงหาหลวงพ่อ ที่เราตามมาเราตามไอ้ไตนู่นไตนี้ไตนั่นมาหรอกจนหลังหลวงพ่อเทศนะเอาไตลักเข้าไปใส่ในไตที่ขาสิโอโหโจทย์ตรงเนี้ยต้องเป็นอาตมานะไปไปหารหัสปลดล็อกว่ามันคืออะไรเพราะว่าวันที่เราเดินออกจากวัดมาเราเดินมาเรื่องนี้ไงแล้ววันที่หลวงพ่อไก่จะจากไปหลวงพ่อเขพูดเรื่องนี้แล้วอาตมาก็ขึ้นไปถามเจ้าคณะภาคว่าไตนู่นไตนี้ไตนั่นไตนู่นอ่ะมันเป็นไตเดียวกันใช่ไหม มันมีสองคำถามทีแหลกปอไตนูลไตนี่ท่านก็ บ, บอกมันนักทำตีว่าใครเป็นคนถามเราต้องโชว์ตัวอะผมนั่นเป็นคนถามแต่ประเดชพระคุณอ่านไม่จบผลท้ายมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช่ไหมถ้าประเดชพระคุณตอบผาดเนี่ยเสียปาดเลยนะันนิมภะบ้านหนอกหางแถวเลยนะลูกประเดชพระคุณตอบผาดเสียปาดเลยนะยก็ยกอค่ภาคสิบสามนะเออท่านก็ บ, บอกเออมันก็ใช่ดิแล้วมันยังไงอะ่ะ ก็ไม่ได้ยังไงแล้วผมก็กลับไปนั่งที่เดิมไงโอาใช่คือใช่แสดงว่ามันตรงกันนะสายปฏิบัติก็สายปาดมันตรงกันเราแค่ลองเช็คดูโชว์ให้ดูหน่อยว่ามีสายธรรมยุทธ์เขาเยอะไงเดี๋ยวมหานิกายเนี่ยไม่มีกลืนเลยไงผูดแขกเรื่องศีลหายเงอ้ศีลนี่นมันไต่ไปหาธรรมะไม่ได้แล้วได้สิพระในาจังหวัดเขาก็งงว่าพระองค์นึ่มถามว่าอะไรเจ้าคณะภาคจะไปเอาขึ้นเขียงอะไรแบบเนี้ย ครั้งนึงก็ตั้งคําถามนะอ อ, อยากทราบว่าเทค โ, โนโลยีกับคณะสงฆ์บ้านใหญ่เมืองใหญ่ตามห้างอะไรเนี่ยภาคผิดสามมีข้อห้ามมีข้ออนุญาตมีข้ออนุโลมอะไรหรือไม่ท่านก็นบอกว่าข้อห้ามไม่มีข้ออนุญาตไม่มีข้ออนุโลมก็ไม่มีแต่ก่อนหน้าเขาถามวถามแล้วท่านน่จะไปทําไม ก้าวกับผมไม่มีความจําเป็นจะต้องไปแต่ก้าวกับผมมาถามแทนพระทั้งภาคเลยเผื่อมีข้อปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็จะเอาผมไปฆ่าที่ไหนแล้วผมถามดีๆหลวงพเดชพระคุณก็บอกว่าสงสัยไข้ถามกพวกเลขาทั้งจังหวัดเลยสงสัยทั้งคณะแต่ไม่ถามพเดชพระคุณแต่ผมมันไม่กลัวตายผมเลยมาถามแทนก็ถามแค่นี้จะเป็นอะไรท่านก็ตอบดีนะโอ จบคำตอบพวกเลขาเนี่ยือละ่ะก็ท่านทั้งหลายนี่ยสงสัยผมอุตส่าห์ถามให้เกือบไม่ล่าเกือบไม่ล่าถามว่าท่า น, น, นจะไปทำไมห่างพันพิบเนี่ยประมาณนี่ย น, นะแต่เปล่าลราแอบไปมาแล้วแอบไปมาแล้ววัดสะเกตเรามีเรามีรุ่นพี่ไงพาผมไปหน่อยสิผมมันก็จะซื้อคอมมาไว้วัดเขาก็ถามเอาสเปกไหนก็ก็เก็บข้อมูลอย่างเดียวอะ วันหนึ่งเลยแอบไปเล่นเกมไอ้กดลูโโกโป่งอ่ะกดยิงกดยิงกดยิงมันมันขนาดไหนเจ้าก็ชอบเราลองดูมั่งเล่นมันยันตีสีเลย <c oughs> เขาทํากันพันแต้มเราไปสามพันเพราะอะไรแอบลักไก่เอาสมาธิไปใช้ไหมไอ้มันยังยังไงมันยังยังไงวันหนึ่งไอ้เกมนี้ไปเล่นมั่งไอี่ยจรวดมันยิงเครื่องบินยิงอะไรนะ ยิงไปยิงมาเด็กวาดแอบมาข้างหลังพายจา์ทำไมไม่กดปุ่มนี้แล้วมันมีจรวดอ้าวมันมีด้วยเหรอ <laughs> ยิงแต่รถถังมาตั้งนานเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าโอ้บางอย่างไม่มีลิมิตนะบางอย่างไม่มีลิมิตเช่นเราเล่นเกมเนะี่ยเล่นไม่มีลิมิตไงแต่เราตั้งโจทย์ของเราว่าร่างกายเราตอนกลางวันนะจะเป็นไงมั่ง เพราะว่าเราเล่นแบบไม่มีลิมิตไงเอาซิเอาซิเอาชนะได้ยังไงอ๋อเขาซ่อนอะไรตัวใหญ่ๆไว้อีกแล้วเราไม่รู้ไงเราไม่รู้วันหนึ่งก็จะได้ความรู้ขึ้นมาล้านคอมเขาบอกว่าสเปกมันนั่นนะเอมั่งบมั่งซีมั่งปนกันเราเริ่มเข้าใจแล้วไอ้วันนั้นเราเล่นเกมแล้วจอดับคืออะไรพอความเร็วมันไม่พอไปบอกเขาว่าเก็บข้อมูลแต่เราเอ้าก็มาเล่นไม่พอแล้วบรรจุเกมมาในเครื่องทําไมล่ะ ก็มีเขาก็ต้องลองดูมันเป็นอะไรเออแล้วดับทำไมล่ะหน้าจอเราฮะเหมือนอยากจะประท้วงเลยําไปพันทิ์ไม่ถูกมันอยากประท้วงแต่มันไม่ใช่ไงเออเอะเรามีความรู้แลอ๋อทสเปคที่กำหนดเนี่ยเ็าบอกวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาก็เล่นเกมนะความวัยความเร็วนะดึงออกมาอ้อมีเรื่องนี้ด้วย เ, ออเราเก็บข้อมูลเออประมาณนี้นะ อันนี้ก็เป็นเรื่องภูมิปัญญาที่เราเก็บเกี่ยวเอานะเก็บเกี่ยวเอาอัตมาเองก็ต้องเก็บเกี่ยวเอาเหมือนกันคน่ายนี้เรื่องเรามาประเมินบางทีสี่ห้าปีย้อนหลังเน่ยเอ๊ะเราได้อะไรจากค่ายนี้เชียงใหม่เราได้อย่างเงี้ยอยู่กับมดกับแมงอยอยู่กับมดกับแมงอะอยู่อยู่ ด, ยยด้วยความมีเมตตาเนี่ยสายนี่มันเป็นตานะเมตานะถ้าเมตตาไม่เกิดปัญญาก็ตามไม่ถูกเหมือนกันปัญญามันตามไม่ถูกมันมีร่องรอยไง เพราะนั้นเมตตาก็ต้องมาระหว่างที่เราจะเรินสติด้วยอะไรด้วยไม่ใช่ไม่ใช่มันจะทำแบบเห็นแก่ตัวเออเคียร์เคียร์อันอื่นหมดเลยเออแล้วจะไปโดดๆปัญญามันหืขั้นสุ ข, ขุมคำพีลาภาพเขาก็เกิดให้เรายากนะเพราะว่ามันมาด้วยสายเมตตาเหมือนเราทำกับข้าวอะแล้วไม่มีน้ำไงผมติดกระทะไปหมดแลวมุะแกงเนื้อนะแกงเนื้อแต่ไม่มีน้ำให้อะ กระไมมนะพเพราะดันั้นมันก็ขาดน้ําไม่ได้ละใช่ไหมละ่ะเนี่ยน้ําจิตน้ําใจก็ขาดไม่ได้อ่ะอัตมาอย่งวะเสื่อศาสตร์อาสนะในบริการปูให้ดีนะกูปูปูปูนะปูปูปู ป, ปูพืินปูอะไรวะะไว้เราเราได้นะเสียสลัดการปฏิบัตินีเหมือนกันนะสละดนะสลัดนะสลัดนะตนะีว่าสลัดคืนอะไรคืนไปสู่ความ ว่างๆเฉยๆสื่อๆอะไรเน่ยเนี่ยพร่าเนี่ยเนี่ยเราอ่ะผ่าขาวเราอ่ะใช้มาตั้งหลายปีแล้วไงใช่ปะใช้มตั้งหลายปีแล้วโอ้จะมันสักมาล้างโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจอ่ะใจอ่ะใจอ่ะจะล้างให้มันใสให้มันซื้อให้มันแล้วอันเนี้ยเขาเกิดก็ความใสซื่อเพราะนั้นนี้วอนที่มันมามาเกิดเนี่ยมันมาสร้างอะไรเยือย่อๆใหญ่ๆมาบางๆไว้ รักมากเกินไปหรือเปล่าปฏิฆาขุนเครืองเมื่อไปได้มาอย่างนะบางทีเราพูดเร่นเร่นเยาวๆกันนะ่ะมันสร้างปฏิฆะเนะ่แต่มันละเอียดเนะ น, นี่ยปฏิฆานุใสนี่ใสงุดหงิดอุดอัดขัดเครืองโอ้โหมันพัฒนาเป็นเป็นตะกูลพยาบาทนะนะโกรธเครืองอะไรนะไอ้แค่แยแยววาเนี่ยเพราะฉะนั้นสัมมาวาจานะ ปิยาวาจาแล้วโหต้เข้ามาทํางานไงเพราะอะไรมันมีผลไปเพาะเชื่อโทรสัเหมือนกันนะเออพูดเล่นพูดเย้าพูดอะไรบางทีมีสื่อมีอะไรสง่งอันนู้นอันนี้คอมเมนต์อันุู้นอันนี้โอ้โหไปแย่ให้เชื้อโทรสะมันเกิดแล้วเราก็ได้อยู่นานถ้าที่ไหนล่ะสองหมื่นสามหืม่นวันก็จะไปแล้วโกรธทาตั้งหลายวันไอ้แค่กินอะไรผิดก็เป็นวันแล้วยังจะโกรธอีกตั้งหลายวันจะเกลียดอีก พยาบาทอาฆาตกันอีกโอ้โหมาลงทุนอะไรเยอะแยะเรนนี่ต้องเอาออก ท, ที่มาเนี่ยเอาออกเอาออกเอาออกความง่วงอย่างเดียวก็ลบกันยากพอสมควรเลยนะ <c oughs> ตัวง่วงเนี่ยนะเราไม่ได้ไปทำอะไรกับเขาเลยนะมายัางไงอะหลวงพ่อมาหาเคยเทศอัตมาแอบไปได้ยินหรอกจนมากท่านไม่เคยได้สอนนั่นแะอัตมาแบบเปล่งเปล่งเป ล, งเป ล, ง, เปลงเปล่งนี่นะไปเดินจงกรมจังหวัดระยอง เขานั่งหลานทาข้างล่างเราก็เดินข้างบน เ, เหมือนว่า อ, อันนี้เกตเอเข้าไปเก็บกรอนอั น, น้นเกต B ีเดี๋ยวค่อยๆอัพขึ้นมาก่อนท่านก็ทเทศเราไม่มีอะไรทําก็ไปเดินแอบฟังแนละ้วาก็าเห็นว่าคงไล่เราไปเก็บอารมณ์เลยนะจะเดินในท่านเห็นเน่ยแอบได้ยินอุปสรรคสีอย่างของนักปฏิบัติอาตมาตจำเปะเลยนะกรรมจิตอุตตอาหาร กรรมจิตกุตุอาหารไอ้ที่เราทําเนี่ยก็กรรมเหมือนกันนะกายกรรมเลยนะมโนกรรมเนะเอยท่านอาจารย์ในคอร์สนี้ถึงบอกทําถูกทําผิดทําถูกทําผิด <c oughs> โอ้โหเป๊ะได้มากเลยนะอาตมาไม่ได้เป๊ะเราไปค้าเอาเองอะ่ะไปค้าเอาค้าเอาเนี่ยฟ้าเราจะเดินของเราโอ้โหวันหนึ่งนะเขาเขาเขาเขาส่งเราไปเป็นวิปัสนาจารย์สายหนอนะส่งไปฝึกไงแล้วเขาให้เดินหกจังหวะ หจังหวัดหนึ่งทองถามทีห้าหกหกวันเขาสอนพอวันที่เจ็ดเขาปล่อยวันที่เจ็ดเราก็ไปเดินโชว์หน้าห้องเลยโอ้โหมาตั้งหลายจังหวัดเป็นยี่สิบสามสิจังหวัดเไปเดินโชว์เลยเดินแบบได้อารมณ์ด้วยนะอาจารย์กรรมฐานเขาบอกให้พระหนุ่มทนเลยครถ้ามันเดินแบบโม่โม่มันเดินไม่ได้นานหรอกแบบหนออผมติดล็อกไงนะหน๋อเนี่โมโม่เดินไปได้ยิ่งเดินยิ่งเหนื่อยนะแต่ถ้าเดินแล้วได้อารมณ์อะ สุดยอดการเดินเลยหนอเนี่ยเพราะอะไรเหมือนเราขับรถเลยแต่เมื่อรถมันมีหกเกียร์นะถามว่าขับรถเกียร์อะไรคําตอบขับมาทุกเกียร์แหละจะไปว่าเกียร์นั่นเกียร์นี่จะไปบอกว่าเกียร์สามมันลองออกออกตัวเกียร์สามสิไปไม่หลอดนะบางคันมันขับทุกเกียร์แหละแต่ว่ามันอยู่ในสภาพแบบไหนเช่นอารมณ์หยาบก็ขับเกียร์หนึ่งเกียร์สองไง เหยียบไปเลยตึบตับตึบตับลงกันหนอลงกันหนอแหละเกียร์หนึ่งเกียร์สองเดี๋ยวมันดีขึ้นน่ะอเขาก็มีเกียร์สามเกียร์สี่ไว้อีกเอ็นี่เนี่ยเริ่มออกถนน้นี่เลื่มออกถนนเนี่นะเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกนี่เนียเนี้ยบเลยนะขึ้นทางด่วนเลยนะเหยียบเป็นร้อยเลยหนึ่งจิตก็เหมือนกันทํามันหนึ่งมันก็เกียร์ห้าเกียร์หกแต่คองหลวงพ่อเทียนเนี่ยคำเอาเองอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยคำเอาเอง แล้วแล้วก็แค่เราขับรถเป็นแต่เราไม่รู้เกียร์ไงขับรถเป็นแต่ไม่รู้ว่าเกียร์อะไรก็ฟังเสียงเครื่องมันนะมันประมาณไหนรอบไหนโอ้เพราะฉะนั้นเอาสองอย่างมาใส่กันคนขับรถเป็นแล้วให้เขาไปสอนว่ามันเกียร์อะไรเพราะนั้นแบบหลวงพ่อเทียนนั้นจะไปเดินแบบหน่อยมันล็อกอารมณ์กันได้เลยเนาะไยจะไปไหนนี่วอนจะไปไหน เออจะรู้นะจังหวัดจังหวะไหนล็อกกันอยู่เนี่ยเห็นไ้มเหมือนเราขับรถอ่ะขึ้นถนนเรารู้เลยเกียร์อะไรขับอะไรแซงยังไงอะไรเน่ะรู้เลยเห็นไหรู้เลยให้หนอมีข้อดีเวลาเดินให้เวลานั่งก็มีอีกอ่ะวันนี้เอาแบบไม่ไม่มีลิมิตเลยนะเพราะว่าสายโมกเนี่ยเขาต่งเทียบมาเชิญแล้วองค์นี้ไม่ยอมไปวันนี้เขามาตามหรือแถมให้ หนอมีข้อดีเวลานั่งอีกทรายทับขวาขว่าทับซ้าย้ะเขาบอกว่าเวลาขาไหนมันเข้าอ่ะเอามือตรงข้ามมาจับมันเลขาขวาเนี่ยเอามือซ้ายจับเนี่ยขาซ้ายเอามือขวาจับแล้วค่อยวางมันลงพอดีเลยเพราะว่าเ็าทำมาอนาโตมี่ก็ทำมาบาลานแล้วโครงสร้างของร่างกายมันเป๊ะไง บ้า น, นี้เวลาจะเอามือลงทําแบบหลกโพเทียนสักนิดนึงก่อนอย่าไปมองมันมากแล้วค่อยๆห ย, ยอดลงเพื่มันมีเป้าของมันเรียบร้อยเลยทั้ ง, งฝ่าเท้าทั้งตาตุ่มอะไรเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยยกไปวางเป๊เลยอ่ะอแล้วเขาบอกว่านิ้วอะ่ะอย่าชนกันเยอะนะเออเอาแค่แตะแตะแตะแต ะ, แตะเวลาเรานั่งแล้วเนี่ยซ้อมอารมณ์เราเองนิวร์มันเข้ามาแค่แตะแตะแตะแตะ ไอ้ที่เรามีเครื่องยนต์ล้วมีทองขาวดใช่ไหมทองขาวชิดมากไม่ได้นะห่างมากไม่ได้นะู่ไฟมันกระโดดไมก่กระดวกใช่ไหมเหมือนกันเลยนิวร์น่ะเข่าหนักเข้าเบาอะนิ้ว่แค่แตะแตะแตะเนี่ยของหนอสุดยอดเวลานั่งนะไปยังเช็ดไอ้นี่ได้อีกลมหายใจหนอบอกว่าดึงเข้าให้สุดขืนอีกคืนอีกคืนอี ก, อกเหมือนโยคะเราเลย เวลาออกอ่ะออกออกอให้สุดคืนอีกคืนอีกคืนอีกใช้ลมเป็นตัวเช็คเนี่ยไอที่มันตั้งมันทรงอยู่ได้เรามาถึงนี่ได้ก็เพราะลมในล้อรถนะถ้่บ้าไอเนี้ ย, ยลมในร่างกายนะออดแอนออดแอนโยคะเ ข, า, ข, า, ข, า, ขาสอนเนี่ยนะลมลมตามเลือดตามเนื้อมไหลไหลไห ล, ลหน อ, อไล่ดีนะเออไห่ดีสามรอบนะเข้าออกให้ลึกแล้วคืนไปอีกคืนมันทําให้ร่างกายถูกลมอัด ดัดแล้วตรงไงเหมือนสูบเข้าลูกโป่งเลยเหมือนรอรถอะ่ะโอ้โหหนอสุดยอดเราก็ต้องยอมเขาละใช้ได้ทานั่งเนี่ยจะได้นั่งแบบยกมือสร้างยังวะหลวงพ่อเทียงก็จัดแบบหนอก่อนนะจัดแบบหนอเอา้าทำอากายก็มีสุดยอดอีกนั่งแล้วยังไม่พอขึงให้อีกปัดดิ่งลงมาเลยแนวดิ่งแนวขวางล้มาตึง้งตรงกระดือเนี่ยโอ้โห แล้วสายเขาก็<ๆ>มีของเขาอะพอดีไม่ธรรมดานะธรรมกายเขาบอกว่าเดี๋ยวเด๋ยวไล่อารมออกด้วยหน อ, อไล่ลม <c oughs> <c oughs> ธรรมกายไล่อารมณ์ออกไล่ยังไงกําหนดให้ดีนะขึ้นนาผากไปเลยลงตกท้ายถอยไปเลยเนี่ยแงนลงไปดินั่งก่อนนี่มันจะดีๆนะนัน่งแล้วเนี่ยเหลือกตาผ่านนาผากันเลยตกข้างหลังไปเลยไอตัวฟุ้งซ่านเน่ะโดนแก่กับตัวนี้ได้ เรื่องทั้งหลายแหละเหมือนลูกแก้วกิงกลๆมๆอะฝากเอาไปด้วยทิ้งไว้ข้างหลังเ ล, ยล้ยบุบหลดไปเลยมันคิดอีกเอาอีกก็ได้เนี่ยมันคิดอะไรนักหนาเอ๋อปั่นเนี่ยมันเป็นกลมแล้วเพิ่ตกข้างหลังไปเลยแล้วมันไม่มีเรื่องอะไรจะมาคิดมาเครียดอะไรละเพราะว่ามันถูกทิ้งไว้ข้างหลังะเไงทํากายก็ดีฮะ <laughs> ดีฮะโอวิปัสสนาจารย์คงไม่ได้ระบุว่า ทำสายไหนสเดียวนะเพราะอะไรเพราะเอาไปฝึกกันมาหลายอย่างไงแล้วเวลามันออกอาการต้องตามไปแก้ไงฝึกอะไรมาเนี่ยฝึกหนอโอ้โหต้องไปแก่ของหนอเขาเพราะนั่นต้องรู้เบสิกพื้นฐานอะไรของเขาว่าเขามาไงไปไงเออแต่ของหลงพ่อเทียนน่ยก็ไม่เอานะนิมิตก็ไม่เอาอะไรเลยเนาะโดยเฉพาะสร้างจังหวะนี่เผลอหลับตาไม่ได้เดินยงกลมก็เหมือนกัน ถ้าถามเผลอหลับอะไรเกิดขึนดนดดออ้นนิมิตไงนิมิตเกิดเพราะอันเนี้ยมันเอาเอาตัวสติทําบปานยาเป็นเครื่องหมายเป็นตัวอันั่น น, นเกิดแล้วเนี้ยนี่นี่นี่นี่เหมอือนเอาตัวสติเป็นนิมิตนะนะแต่ตัวสติถึงมันไม่มีตัวมีตนอีกอะ่ะถามว่าเขาเดินทางไปที่สุดเราไปถางไหนเนาะเขาไปส่งเราถึงไหนไปทั้นนู้นเลยอนิมิตถึงอนิมิตเลย มันมีเซตของเขาอ่ะสุญญตาก็อยู่ในเซตของเขาอ่ะอะานีมิตรเนี่ยก็พวกเดียวกันอ่ะไอที่เราทําก็ไม่มีอะไรน่ะไม่มีไม่มีไม่มีสื่อเฉยเฉยว่างๆลงๆไปเรื่อยไปเรื่อยเกาะเกาะไอทีก็เขาฝึกเลี่ยมันเป็นสุขขาอิปัสโกไงแห่งแรงมันมีอะไรเลยไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดดเลยนะไม่มีอะไรเลยถามว่าเราเราได้อะไรเนี่ยโอ้โหเสียอะไรไปตั้งเยอะ ก็จะได้ปฏิพานไหวพิพไปสัมพัชัญญาบพะพัฒนาเป็นปฏิพานไหวพิบการสอดส่องดูอนุอันนี้ดูเหตุผลตนประมาณการดูคนวันหนึ่งก็ให้รางวัลเราค่อยๆให้ค่อยๆให้ค่อยๆให้ทำไปทาไปอาจารย์นันว่าสติกาย้ยแข่มันมาประกอบกันทั้งหน่อยนะเหมือนเราเข้าครัวชุงเข่งชุงเข่งชุนเข่งเข้าไปทำไมล่ะหาอะไรกิน อนี่มันแค่มาประกอบกันเมื่อกี้นะกายมันมาสติเอ้าอ้ว่ากันไปสิเอ้ไม่ใช่ประโยชน์อะไรล่ะเอ้าก็ใช้ประโยชน์ตอนนี้ว่ากับตามสง่งเราไงตามส่งเป็นพี่เลี้ยงเราเป็นพี่เลี้ยงเราเดี๋ยทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นเอ้าชัอีกหลวงพ่อพุทธาเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นรู้ไม่รู้ก็ฉังไดอารมณ์ดีไม่ดีก็ฉังเขาว่าไ ง, ไงแม่แต่ว่าเทศยังไงก็ฉัง เหตยังไงก็ช่างทำยังไม่เกิดในเราฟังแล้วก็ทิ้งๆิ้งไปฟังแล้วก็ทิ้งทิ้งไ ป, ง เ, งงไปเพราะนะ่นสายเนี่ยเหมือนสายที่ไม่ค่อยเอาไหนอะแต่ว่านฝ่ายสื่อก็บอกว่าโอ้โหให้ส่งไลนละเอียดมาแบบสํารวจอันนูน้นอันนี้ไม่ค่อยมาเลยหลวงพ่อทหารนะที่ก็ส่งเฟซส่สงไลน์มาแล้วก็บอกว่า ก, าก็ไม่ได้ห้โซไม่ได้ห้เทคไม่ได้ห้ปากไม่ได้ห้เปอร์ <c oughs> อันนี้มันโลโซหมดเลยลูกศิษย์เนี่ยมันจะเอาอะไรเนี่ยเออ โลโซโทรศัพท์ก็ไม่มีเฟซก็ไม่มีไลฟ์ก็ไม่มีแต่ถ้ามาก็สดๆยังงี้เป็นมุขปาฐะไงอันเนี้ยเป็นมุขปาฐะออกจากปากก็เข่าหูอ่ะตัมันจะเข้าใจหรือไม่อ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็หลวงโยมไปแล้วเขาพูดให้ฟังแล้วอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจก็อีกเรื่องหนึ่งเอออีกเรื่องหนึ่งเขาก็จะตามไปส่งเราส่งเราหนูเนี่ยสุญญาตาเขาก็ตามไปส่งได้ไอ้หนูไม่มีมไอ้นี่ก็ไปเอา มันมีเคล็ดลับนิดหนึ่งอ่ะแตามาคุยกับหลวงพ่อแต่จริงปฏิบัติทำไม่อยากนะหลวงพ่อแล้วทํำไงอ่ะก็ถ้าเรายอมงโง่เป็นอดีตคุณนุ่งเอาไปเอาอะไรขเขาเรา อ, อ, อนาคตเกิดไปเอาอะไรเขาเราแหวกแวกแวกแหวกมันเหมือนคนเห็นแก่ตัวเลยนะนักปฏิบัติเนี่ยคนเห็นแก่ตัวมันเอาตัวเองไปก่อนขนาดตัวเองยังไม่เอาเลยเพอเอาจริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันเฮ้ยเฮ้ย ตัวเราก็จะไม่มีเฮ้ยความจําก็จะไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเวทนาก็จะไม่มีแต่วันหนึ่งเหมือนหลวงพอ่อว่ะเคยลองดูก็ไดเคยท่องน้ำโมไหมละ่ะเคยลองดูดิเพราะมันมีภาวะหนึ่งเนี่ยเหมือนเราขึ้นบ้านอ่ะเขาบอกไอ้กระไดท้ายนะนะมันดาอยู่ไปจับมันไม่ดีหรืมันจับข้างขวาพันี้จะเข้าบ้านเนี่ยเราไม่ทิ้งมันใดที่จับอยเนี่ยหละหวงพ่อมันเป็นอะไรรู้มันเหนียวเหนียวจะหลุดก็ไม่หลุด มันเหมือนน่ยจะขึ้นบันไดแล้วผมจับไว้มืออ่ะมันไงไม่รู้ไงไม่รู้จะเขา่าเข้าไปดูในบ้านเนอะดูไม่ได้มันเหนียวเนีวอยู่ท่านก็บอกลองดูสิเคยท่องน้ำโมไหมเคยครับลืมไหมไม่ลืมครับเหมือนท่านจะบอกแล้วว่าเนี่ยเนี่ยฝึกไปฝึกไปอาศัยเขาอยู่นะอาศัยเขาอาศัยเขาวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งหลวงพ่อพุทธากันทั้งหลายทั้งปวงไม่ควยื น, นมัน่นถือมั่นหลุดพวเข้าไปดูมันสิกลัอบออกมาว่าหงพ่อไม่มีอะไรเลยข้างในเนาะ มีแต่ว่างๆห้องอะไรไม่รู้มีแต่ว่างๆไม่มีอะไรเลยเอ้าทํามาแต่ต้นไปจนถึงนู่นนาะไม่มีอะไรเลยเหรอเออเต็มดีนะหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องใช้จิตวิทยาใดๆกับเราทั้งสิ้นเพราะในห้องมันว่างอ่ะไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรไปใส่มันเห็นนะเห็นน้ำใสๆสื่อๆเนี่ยทำไปเรือ่อยๆยิงใสามากมีคุณภาพนะเพราะเอาอะไรไปปนเขาเป๊ะเนี่ยมันเห็นน่ะ เห็นเออเห็นโอ้หลวงพ่อเทียนยังบอกทำซื่อๆดูซื่อตั้งแต่ต้นไปเรื่อยทำกลางไปถึงไหนก็ช่างแล้วแล้วทำแบบนี้ไม่นิยมเรียบกับภาวะเป็นชั้นนู้นชั้นนี้เป็นอะไรก็บเขาเนะ่ไม่ไปหรอกเวลาเรื่องมันเกิดเราแก้ได้ขอพอแล้วไม่ต้องไปแบกไอ้คนนู้นอันนี้อะไรของใครเข้ามาใช้ได้แล้วที่สำคัญคือใครจูงเราไม่ได้ที โอ้โเสียด้คนเมืองหลวงนะอุตส่าห์ชื่นชมว่าสถาบันการทุกษามีเยอะที่สุดเลยเต็มเลยแล้วทำไมไปยังงูย่างงี้กันบางทีไปได้ไปอย่างอะสำนักพุทธเป็นพระเผยแผ่พื้นที่พิเศษเนี่ยไปบางทีก็ก่อนละนี้นี่ก่อละนี้นี่บางทีเราก็บอกโอ้ยนี่มันแค่เด็กวัดเขยยาวบรลังเจ้าวาดเลยหรอกพูดยังไงกรมศาสนาวังวังนะ อ น, นี้แค่เด็กวัดเขยา่าแบบอันนู้นอันนี้จะ ต, ตรวจบัญชีพระเงินเดือนเท่านู้นเแถวนี้กูพระเล็กๆจะเอาอะไรมาตรวจแบไหใหญ่ล้นไหเล็กไม่มีคนใส่เ <c oughs> นี่ยไงพุทธธรรมนายนะไ <c oughs> หใหญ่ล้น <c oughs> มันล้นจนเป็นเรื่องเป็นราวอันนู้นอันนี้เธอหายเล็กๆไม่มีใครใส่ <c oughs> ถ้าตรวจจะได้รู้ว่าอันเนี้ยมันมีน้อย <c oughs> แล้วเอาไหใหญ่มาใส่ไหเล็กมั่ง กรมศาสนาจะว่าหลงตาเนี่ก็พูดเรื่องอะไรพูดเรื่องพุทธธรรมนายไงจ่ไหมโอค์ใหญ่ฮะใส่แล้วใส่อีกใส่จนล้นเลยแต่องค์เล็กๆไม่ยอมใส่เพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีระบบระเบียบอะไรเล็กๆไม่สะเทือนหรอกไม่สะเทือนมันแค่ล้นจากองค์ใหญ่มาใส่โอ่งเล็กคําถามก็คือจะมาใส่องค์เล็กจริงหรือเปล่าองค์ใหญ่ๆจะใส่โอค์เล็กจริงหรือเปล่าพุทธศาสนายังมี มีภูมิทำภูมิปัญญาอยู่ตากถ้าดีเราทั้งหลายเนะี่ยประพฤติปฏิบัติยุคใดสมัยใดยังไม่เกิดข้าวยากหมากแพงยุคใดสมัยใดยังไม่เกิดสงครามยุคใดสมัยใดพุทธบริษัทสี่ยังสามัคคีกันยุคนั้นสมัยนั้นเล่งให้ทานรักษาสินเจริญภาวนานี่ไงยุคของเราเนะี่ยถามว่าข้าวยากหมากแพงไหม เยกมั่นจะรวยคนเดียวยังไงอ่ะก็ก็เศษรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัวสร้างภูมคุ้มกันให้เราไว้แล้วเหลืออย่างเดียวภูมิคุ้มกันในนั้นไปถอดรหัสออกมา่ามีอะไรบ้างเอาง่ายๆพุทธองค์บว่ากิเลสมีสามกองเองมีโลภมีโกรธมีหลงภูมิคุ้มกันของเราคือเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวสติสามัญชัญยะที่เขาเขาก็ไปไล่ไล่ไล่ใลบโกรธหลงออกไปออกไปออกไป ไอ้ตัวว่างๆอ่ะมันคืออุดมทำอยู่ในนั้นแล้วอุดมสมบูรณแล้วบางทีสันโดษแล้วไม่อยากได้อะไรของเขาเออก็มีที่แค่นี้ฉันก็ปลูกฉันจะขายไม่ขายเรื่องของฉันอะ่ะเห็นพออยู่พอเพียงพอกินทฤษฎีที่พ่อสร้างเอาไว้ให้เยอะแยะมากมายเลยบัดเนี้ยถึงเวลาที่เราท่านทั้งหลายต้องสร้างภูมิปัญญาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโลกมันจะ กระเพือยไปทั้งไหนก็ช่างเรามีหลักเรามีฐานเรามีพุท ธ, ธะรู้ตื่นเบิกบานสร้างเงินไปเรื่อยๆเกาะกลุ่มกันเป็นสมาคมอย่างเนี้เราไปเรื่อยๆไม่จะไม่จะเฉพาะสายเราแบบเราเลยนะมันมีตั้งเยอะแยะเมืองไทยอ่ะที่เราสามารถเนี่ยเข้าเข้ามาในห้องได้มีตั้งหลายช่องดูดิประตูหน้าต่างอะไรเลือกฝาผ้าใบดานอะไรเจาะมาได้หมดอ่ะเพราะนั้นวิธีในเข้าสู่ประตูพุท ธ, ธะเนี้ยขมาเนี้ยเยอะแยะ นะเยอะแยะอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคีกรมเกี่ยวกันเนี่ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแผ่นดินทำแผ่นดินทองของเราเนี่ยแล้วภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็คอยระมัดระวังไงอะไรที่จะมาเจาะทะลุทะลวง่ประเทศเราเนี่ยเนี่ยนะประเทศเราเนั่นน่ยประเทศประเทศอยู่ดันสมควรเนี่ยประเทรบาเทียตะวาโซเนี่ยประเท ศ, ปเทศไปประเท่อยู่ศาลานึ่กับประเทศ ตำบลอำเภอจังหวัดโลกนี้เราเรียกประเทศที่อยู่เนี่ยเราทําประเทศของเราให้ดีแข็งแรงแข็งแรงประเทศเราอ่ะประเทศกายประเทศใจเราเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทาให้แข็งแรงแข็งแรงทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่ยสายอีสานก็มาสายเหนือสายใต้แตะวันออกภาคกลางมากันหลวงพ่อสร้างมรดกอันนี้ไว้ให้เราละนต่างให้เราวันวันก็มีครูบาอาจารย์มาเช่วยแนะช่วยนําช่วยแนะช่วยนํา คลายความลังเลสงสัยไปแก่นิวรณไปแก่ไปเอ่แก่ไปแก่ไปแก่ไปด้วยอันนี้มันแค่เสนาเขาไอตัวจริงเขาอะไรไะมัจจุมานเนี่ยมัจจุมาณนะมันคือความตายปฏิบัติแบบไหนก็ตามมันต้องไปด่านนั้นแหละตายแนละ้วตายแนละ้วตายแนละ้ว ย, นะยางตายออกมาอะไรก็พึ่งพาใส่ได้บ้านเมืองที่รบกันอะไรกันทุกวงการนนะ ถ้าได้ตาหารเดนตายมาใช้งานเนาะโอ้โหใช้ได้เลยเราเราให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งจบแน่นลยทีนึงตาหารเดนตายพานเิเลสวน์มหาราชถูกไปฝึกอยู่ที่พมา่าก่อนที่จะไปยังไงรู้ั้ยวันที่เข้าเฝ้าไน่อ่าต้องเป็นเชลยก็เราเข้าเฝ้าลมพายุมาเลยเพราะคนมีบุญเนี่ยลมพายุมาเลย เขาถามโหด น, นะบุเรงนองถามโหดเด็กคนนี้ฆ่าได้ไหมเนะี่ยได้แต่ว่าพราะองค์อาจจอายุสั้นทําไมล่ะก็คนมีบุญฆ่าคนมีบุญแต่าอายุสั้นแล้วทําไงล่ะก็ชุบเลี้ยงให้ดีแต่ว่าอย่าให้เขาไปทําลายบ้านเมืองเราได้แต่วางแผนเลี้ยงองค์ดําตั้งแต่นั้นมาเพราะว่าตระกูลเราไม่มีใครนรับได้วิชาที่เรามีเลี้ยงองค์ดําอย่างดีเลยแล้ววันหนึ่งก็ปล่อยให้ปกครองบ้านเมือง วันที่เขาไปชนช้างกันเนี่ยโอ้คงจะตื่นมากแล้วเนาะอยากจะออกลบมากไปเลยหลุดไปได้เชือกเดียววันนี้พระนเรสวรเนี่ยต้องลบแบบถ่วงเวลานะรู้ว่ากษัตริย์เจ้าเมืองเขาจะนัง่งจะยืนนอนตรงไหนก็ธรรมชาติเขาจะรู้ไงแต่เ น, นี่ยทหารออกมาเอ้ยล่มโคนไม้ต้องใชยแนเลยพระเจ้าแปะเอาชาอยู่ทำไมล่ะมาลูกคููชายมาชนช้างให้ก็ดูกันจริงๆจะขาซะเดี๋ยวนั่นก็ได้หรอก ถ้าข่าเขาแล้วเราอยู่คนเดียวเราไม่โดนลุมเหมือนบนนั้นถ่วงเวลาในการข่าไว้ก่อนนะสักักชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวเาตามมาก่อนลอพวกก่อนรอพวกก่อนอพกกอน พ, พวกมาแล้วค่อยข่าวันนี้ข่าด่านก็จบตรงนั้นแต่แล้วเนี่ ย, นยในท้องก็ะโรงเนี่ยถึงวันพิพากษาแล้วคดีราจากการสงครามเหลียกเข้ามาหมดเลยสมเด็จวรรณรัตน์ก็มาเขาด้วยเอามาทําไมล่ะสมเด็จเนี่ย เอาไม่มาได้ไงโยมากันหมดเดี๋ยวใครจะใส่บาทนะ่ะ <c oughs> ไปกันหมดเนะี่ยใครจะใส่บาทนะ่ะอาตมาก็มาด้วยดิมหาบพิดไหนถามหน่อยฮะวันเนี้ยมีประชุมอะไรเอาราชการสงครามยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วมันเป็นอะไรกัน่ะตามเสด็จในราชจจการสงครามไม่ทนันเอา้าถามจริงๆเหรอวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้น่ะช้างมันตื่นมันอยากจะไปทําศึก แล้วก็เลยหลุดไปผู้เดียวเขาก็ไม่ใช่ความผิดของประสงคิกรเนี่ยไอ้ช่อะ่ะมันไม่ใช่หรอกแต่กดเขียนไว้อะ่ะกฎบนเทียนบ้านตามเสด็จไม่ทนันตายเจ็ดชั่วโคตรเอาปู่เอาอยามาด้วยนะเอาลูกเอาหลาหนนอเล่นามาให้หมดเลยนะก็จะทําบัญชีข่าบทเนี่ยอูก็มันเป็นเรื่องของช้างแล้วนี่คนจะต้องมาตายฟรีๆนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเอ้พวกนี้ไม่ได้เรื่องเลยตายว่าเปล่าอัตมาบินธบาตได้ไหม สมเด็จจะเอาไปไหนก็ไปเหอะพระเจ้าเป็นดินวางีอนะจะเอาไปไหนก็ไปเอะพวกเนี้ยไม่ได้เรื่องอ้าวออกปากให้อัตมาแล้วนะเป็นกษัตริย์ตัดแล้วห้ามคืนคำแต่อัตมามีบาดลูกเดียวเลี้ยงไม่ไหวหรอกเนี่ยเลีเ้ยงไม่ไหวถวายคืนให้ชุบเลี้ยงให้ดีนะแต่พวกนี้มันเป็นทหารพิเศษนะอะพิเศษยังไงมันเป็นทหารเดนตายพวกนี้ตายแล้วตายแล้วเลี้ยงให้ดี ต่อไปนี่พระองค์ออกราชการสงครามเจ้าไม่มีคาว่าแพถึงขั้นนั้นเลยเหระใช่พอทหารเดนตายเนี่ยจะไปสร้างยังไงได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนเนียโอ้โหตั้งแต่นั้นมาลาวก็ไม่กล้าหือเขมรก็ไม่กล้าหือหือไม่ได้พอทหารเดนตายทั้งนั้นเลยอย่างนั้นเราไปบุกหงสาวดีกันตามสูตรนะลบสามปีพักสามปี ลบสามปีพักสามปีเอา้าบัต น, นี้ลบหกปีแล้วยังไม่ได้พักเลยเจ้าทหารชวนลบอีกแล้วมันเลยเวลาพักไงโอ้โหนี่มันควงเวรแล้วนะหมอพยาบาลทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเรียนจบมาเงินเดือนเยอะนึ ก, กว่าเขามีความสุขไนงะกว่าเขาควงเวร น, นะใช่ไหมบางทีไปดูแค่ดวงตาเขาเนี่ยโอ้โหไม่เหมือนผู้เหมือนคนเลยเหมือนมี Panda. แพนด้าไรล่าสงสาร กลางวันคืนโอ้โหมันปนกันหมดเลยภาด้นลีส่วนนะโอ้โหมันชวนเราลบกระพึดเลยอะหงสาวดีแหลกแน่นอนเลยแต่ไม่ใช่บุเรงนองวางหมากไว้แล้วนี่ไงวิทยาศาสตร์การกีฬาการลบก็มีอะในเมื่อร่างกายมันฮีตเน่ยมันมันฮอตสุดแล้วอะก็ก็รถยนต์วิ่งจากใต้ยันเหนือแล้วไม่พักแล้จะวิ่งเหนือเหนือยันใต้อีกวิ่งไปวิ่งมาถามอะไรเกิดขึ้นไม่ค้นก็รถน็อกก็ไม่ทาง อันเดียวกันเหมือนผู้เล็งนองไม่ได้บอกเค็ดลับไว้บอกไม่ได้ถ้าบอกไปจะแหลกเลยพม่าเนี่ยเรื่องกรรมก็ผูกกันอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้จบรู้สิ้นก็เลี้ยงองค์ดําแบบรูข่าวแดงแกงร้อนบ้านนูน้นเราไม่บุกเขละพอพอยุคนี้ให้เขารับของเขาเองมีชนต้องเป็นร้อยเผ่าพันน่ะคุณจะรวมยังไงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเรารวมละวจะทําอะไรบนเขาบนดอยแบ่งเชือพราะวงมาทํางานกัน ปูพื้นนะ่ะปูคงเลยเราอยู่ของเราแบบความสุขไปนะแต่ผัวอย่างนี้ไม่ต้องไปตีพมา่าแล้วนะปล่อยเข้าปล่อยเข้าแล้วเราขอบใจที่งเขาก็เลี้ยงองค์ดําให้เราแนละ้วะกลับมาแล้วนะแล้วแล้วลว่าเลยสวนก็ไปสวรรค์นักโกลางทางสันนิฐานเอาเองวะ่ะพวกไขาการอะไรทั้งหลายนะที่มันเข้ามาในกำรรเนื้อเส้นเลือดเสเ้นเอ็นขึ้นนะ่ะนะเหลือแต่ท่อนนี้ยยังมีสติปัญญาอยู่เียจะลบก็ได้ไงก็ได้วางแผนได้ แต่ร่างกายมันบอบช้านั่งรถดียี่ห้อไหนก็ตามเอาไปไม่หลอดแล้วคุณจะนั่งเบนนั่งวอนโบยังไงก็จังแต่ว่ามันเคลื่อนไปปุ๊บคุณก็สูดอากาศตามทางภาพที่มันเลือกมาไปถึงไหนถึงไหนเนี่ยเนี่ยสังขารมันทํางานอ่ะขันห้ามันทํางานอยู่ไงมทางานในเมื่อมันทํางานอ่ะเหมือนร้อรถมันระเบิดถามว่าลอรถยนต์มันระเบิดใครทําให้ระเบิดตัวมันเองนี่ยเนี่ยหมุนไปก็ร้อนไปหมุนไปก็ร้อนไป ความร้อนที่เกิดภายในของคนเนี่ยอย่างนี้เนี่ยจากกระดูกเน่ออกมาออกมาเศนเลือดเสศนเอ็นตรงไหนที่มันเปาะบางนี้สุดมันก็ออกเม็ดขึ้นมาที่อีสุกอีใสอีดําอีแดงงูฟักไข่อีโลกงูสวัสดอะไรงูออกมาอีถ้าเป็นมะเร็งมันก็ดันออกมาเป็นเม็ดเป็นสาเหตดเลยความร้อนข้างในแต่ที่เรามาทําเนี่ยมันเย็นไงพุทธโอสถธรรมโอสถทําให้เย็นเย็นเย็นเย็นเย็ น, ยนดีกับร่างกาย แต่ไปดีก็จิตใจเว้ยดีก็จิตวิญญาณจิตวิญญาณเข้มแข็งอันนี้คือรางวัลชีวิตที่เราสมควรได้ในวันที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ไปเทียบไปเสาะหาอนุญาตของคนอื่นเขาเฮ้เราก็ผลิตเองไงความเย็นเกิดเกิดเกิดสันติสุขสันติภาพก็เกิดภายในกษัตริย์จิกเม่เนี่ยองค์ที่เป็นพ่อเขานะี่ยเขาลงจากบัลลังก์เขาไปทําวิจัยเรื่องเนี้ย เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยรับเคสตุดท้ายก่อนเนี่ยทําอันนี้ไม่เสร็จหรอกอาตมาก็ทําต่อไม่ได้หรอกเนี่ยเนี่ยเขาไปทําวิจัยว่าไอ้สุขภ า, าวะมวลรวมอะไรเนี่ยมันต้องมาจากอันนี้ก่อนสันติภาพภายในนักธรรมเอกก็ว่าไว้นะนะสันติภาพเกิดจากภายในก่อนเกิดเกิดเกิดมันไม่ใช่ข่าวอะไรจีดีพที่ก็ทําเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของเลยสนองสนองสนองได้มากสุขมากไม่ใช่ไม่ใช่ เออเขารู้แล้วมันไม่ใช่ทำวิจัยเิยพระบวรเนี่ยเชียงใหม่ลำพูนะบรรยากาศดีทำในหลวงพ่อก็ถูกเรียกตัวมาจากเมืองนอกมาร่วมมาแนบรวมรวมมาจะมาฟังตามเทศกานหะโอ้โอ้ถ้าอยู่อีกหน่อยก็สนุกดีนะแต่เราอะได้ขุมทรัพย์รายแทงอะไรมาพร้อมแล้วนะครูบาอาจารย์ให้เรามาพร้อมแล้วนะมาพร้อม ไขนี้บางไข่นู้นบังไปเก็บเกี่ยวเอาไปติดไปต่อเหมือนจิ๊กซอของชีวิตเราไอ้ไทีละใบทีละหน่อยทีละนิดเติมเอาเติมเอาเติมเอ า, เ, เ, อาเอาละขอความสุขความเจริญความรู้ยิ่งเห็นจริงในศัพท์จะทําคําสั่งสอนขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดขึ้นบังเกิดมีด้วยการที่เราทําเองเรานี่แหละคอยมีความสุขความเจริญในทางโลกทางธรรมด้วยกันทุกรูปทุกนา ม, นามเธอ Satu. <laughs>